อธิบายถึงเรื่องธรรมธรรมในของก้วนที่พูดโยมว่าขึนมาก็คือรูปธรรมนามธรรมที่เข้มาทั้งตัวของเราตัวของเรานี่แหละคือรูปธรรมนามธรรมเมื่อขยายออกไปจากนี้ เรียกว่าขันห็เรียกว่าธรรมขันรูปเวทนาสัญญาสขางๆดีงานเรียกว่าธรรมขันขยายก็ไปเป็นอายตนะหกภายในหกภายนอกหกก็เรียกว่าธรรมอีกธรรมายตนะ คืออากาศไอคือว่าภ า, ายนอกกับภายในกระทบกันเรียกว่าพัฒนะเกิดขึ้นแล้วเกิดความรู้ขึ้นนี่เรวาวิญญาพัฒชาเวทนาอันนั่นก็เป็นธรรมอีก <c oughs> ทำไมึเรียกว่าธรรมถึงไม่เรียกที่นี้ก็ก็เรียกที่อืน่นสจำพัฒชาเวทนา จำพัดเกิดความรู้สึกขึ้นจนเวรทาก็เวทนาก็อยู่ในขันหาแล้วจุทุกขเปขารีกว่าธรรมขันนอกราะนั้นอีกกิเลสทั้งหลายที่ออกจากอายุสนะพัดตั ถูกต้องแล้วเกิดความทะเยอทยานดินหลนเรียกว่าสัณหาอุปทานก็เป็นธรรมด้วยกันทั้งนั้นกุศลทั้งหลายที่ตากันระพฤติปฏิบัติอยู่ทั้งหมดที่เรียกว่ากุศลธรรมอ ก, กุศลก็ยังเรียกอกุศลธรรมเองเหมือ น, นกัน มาพูดทั้งเรื่องรูปเวทนาสัญญาสสงขานิยานพูดเฉพาะในรูปของเราสิที่เรียกว่าชราสัญญาทิมรณะโกกาสิริเทวทุกขะโตปัจจัก็เป็นธรรมธรรมอะไรที่จะจะทาได้แก่ทุกขะสัต์ พูดเฉพาะทั้งเรื่องชลาทิธรรมพะณาริธรรมก็นนจะพวกธรรมด้วยกันทท้งนั้นมีกว้างขวางมากท่านผู้ใหด่เจ้าท่านสอนให้เรารูาจา้จักธรรมเราปฏิบัติก็ปฏิบัติธรรม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 เราไม่เข้าใจทังเรื่องธรรมจึงไม่ทันถึงธรรมที่จริงเราอยู่กับธรรมนั่นแหละเดินเดินนั่งนอนนิริยาบททั้งสี่อยู่โดยธรรมทั้งนั้นธรรมทั้งหลายเหล่านี่นพระพุทธเจ้าสอนให้เราเห็นให้เรารู้ เราเยังไม่รู้ไม่ทันเห็นก็เหตุที่เราเยังไม่ได้ปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมเหตนั้นติกต้องปฏิบัติที่จะให้ถึงธรรมก็ต้องมีรากฐานภูมิฐานที่จะให้ธรรมตั้งอยู่ธรรมที่จะตั้งอยู่ได้รากมีฐานมีภูมิที่ตั้ง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 ไม่ใช่ปัญญาเกิดที่กายผู้จะให้เกิดปัญญาคือจิตเป็นคนรู้คนเห็นกายนีมันไม่มีอะไรหรอกเป็นสักจวรรัรน์จิตก็เป็นสักจวัรร์แต่ละมหัดปัญญาคือหัดจิตที่เป็นธรรมนั่นนหะให้มันมีราก ฐ, ฐานตั้งมัน่น แล้วปัญญาจริงจะเกิดจากอะไรในที่นี้หมายความทั้งเรื่องความอบรมจิตเช่นก่อนจิตถ้าหากักนี่มาทันม่งจิตนี้มาทันสงบจิตนี้ไม่ทันตั้งมั่นปัญญาก็ไม่มีที่เกิดก็ยังไม่มีที่ตั้งที่เกิด ดังนั้นยังต้องหัดจิตถ้ามีรักจิตสมาธิสติควบคุมจิตให้แน่วแน่อยู่ในอารมณ์เดียวอันนี้จึงจะเกิดปัญญาปัญญาคือความรู้แจ้งเห็นจริงปัญญาถ้าหากว่า ไม่ได้รับความสงบแม้ว่าถึงเป็นคนส ง, งบแล้วปัญญาจะไม่เกิดปัญญาในที่นี้นะหมายความเป็นควบมรู้ผวมเห็นเดี๋ยวรู้รอบเรียกว่าปัญญาทีนี้ปัญญาน่ะถ้าจะอธิบายให้ฟังแล้วว่าปัญญานี่นเกิดที่จิต ถ้าจิตไม่รู้รอบไม่ถ้าจิตไม่สงบสติตคุมจิตไม่อยู่มันก็ไม่เห็นจิตถ้ า, ามันสงบแล้วครับนี่ิควบคุมจิตยอยู่ในนิ่งแน่วในทีเดียวอาการของจิตที่มันแวบออกไปตรงตรายไปทั้งดีและทั้งชั่วหาบและละเอียด สิ่ที่เป็นคุณเป็นประโยชน์หรือให้เกิดโทษโดยประการต่างๆมันออกไปจากจิตทั้งหนึ่งจิตที่นิ่งแนวจิตที่นิ่งแนวนั่นแนะที่เราไปรู้อาการที่มันออกจากนั้นจากไม่นิ่งไม่นิ่งแนวนั้นนะเะียกว่วปัญญาคือรู้ความเป็นอยู่ของจิตหรือความเป็นไปของจิต เรียกว่าปัญญาถ้าหากเราจะรู้ตรงนั้นแล้วฝันจิตมมนได้นึกสรงตายไปกามการใด้ทั้งปวงดีช่วย่าบละเอียดตามรู้ตามเห็นเข้าใจสิ่งใดที่ควรละสิ่งใดควรถอนควรทิ้งสิ่งใดควร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 เป็นรูปเห็นกายที่แรกเราก็เห็นว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาใช่ปัญญาพิจนาทีทวนันไปอีกมันไม่ใช่ตนตัวเราเขาเป็นรูปสัจจะรูปที่เห็นเป็นธาตุเป็นรูปเป็นนามมันเข้าหลักตอ้วนะครันไม่ใช่คนนะครับนี้ ถ้าหากว่าเราไปจับตรงนั้นเนะ่ดังที่มันออกไปจากนั้นไม่ใช่ไม่ใช่คนใะแล้วเป็นจักรวรูปานานนนมเาจิตตรงนั้นมีตนมีตัวไม่คนมีความรู้สึกั้งนั้นพอความรู้สึกตนั้ น, นะนเนี่ยมาพิจารณาทั้งเรื่องรูปที่เป็นตัวอยู่นี้มันไม่มีสมุดมันไม่หวันเนี่ ไม่ใช่คนไม่ใช่นะเป็น้วยสักรวรูปของที่อยู่ในรูปป่าปนด้วยกับรูปนันขึ้น น, นามได้เจเวชนาสัญญาสัญขารญยามันเป็นนามทังนี้เห็นตามเป็นจริงเยอะไปเลเจ้านันเทียคือรูปนามเห็นตามพระองค์อ่ะ จิตมันสงบยังค่อยเห็นตามถ้าจิตไม่ทันสงบมันเข้าไปยึดรูปยึนนานมันไม่อยู่นิ่งคนเดีย ว, วมันก็เลยเอารูปนาวมาเป็นตนเป็นคนใช่เลยไม่เห็นของจิตเลยไม่เห็นธรรมข้าไม่เห็นธรรมที่เห็นอย่างนี้ต้องอาศัยหลักที่ควรสงบไปก่อนอบรมสติให้ ควบคุมจิตในนิ่งอยู่ในที่เดียวแล้วจิตที่มันแรบประมานั่นอ่ะมันจะไปฟ้ากวดเข็นสิ่งสารพัดต่างๆเป็นธรรมถ้าหากยังม่นั้นถึงจิตนิ่งแน่วเป็นเอกคตารลมเราจะมาพิจารณาเพ้ื่นผืนอย่างที่เรามองกันอยู่ตามธรรมดาอยากที่จะเห็นได้เพราะมันไม่ทันทิ้ง สมมตบัญญัติหรื อ, อไม่ไม่ทิ้งอาไลอาบอนในรูปในกายเห็นเป็นตัเป็นตนัวเป็นเราเป็นเขาเมื่อเราสื่อแจงนาทั้งเรื่องรูปเห็นเป็นสัจจาวรูปเพราะจิตตรงนั้นเน่ย น, นันออกมามองดูที่มันออกมาจากเอกภพสานั่นแหละพอออกจากเอกภพ า, ามันมามองเห็น รูปสักแต่วลู ร, รูปนั่นเลยคิอธรรมเขาว่าเป็นธรรมตัวมันเกิดมันดำอยู่อย่างนั้นท่านเรียกว่าธรรมหรือธรรมธาติธรรมในที่นี้นั้นตามตัวหนังสือบาอลีท่านมันออกมาจากทารกธาตุ อนุภาพเป็นไปในความทรงอยู่ข้อหมายความมันมันทรงตัวมันอยู่เท่านั้นนหละคือว่าเท่าที่มันทรงอยู่ได้แล้วมันก็เกิดดับไปทรงอยู่แล้วก็เกิดดับสภาพความมันทรงอยู่อย่างไรซนะึ่งเป็นอย่อยางนั้นจี่เรียกว่าทรงไว้ซึ่งสภาพเข้ามาแค่แค่นั้นทรงไม่เกิดไม่ดับมันเกิดแล้วดับไปเรียกว่าสภาพมันเป็นอย่อยางนะั้นที่เรียกว่าทรงไว้ซึสสง่งสภาพเข้ามา ธรรมากที่ว่าทรงไหวตอห ม, คม้คอหมองมันเป็นอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ของใครไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่อะไรทั้งหมดหากเป็นอยู่อย่างนั้นจิตที่เราไปมองเห็นน่ะพิจารณาลองมองเห็นตามเป็นจริงมันเป็นอยู่อย่างนั้นเรียกว่าเห็นธรรมเรียกว่องธรรมถึงธรรม ไม่ใช่ถึงที่อื่นไม่ใช่ไปถึงโนถึงเนี่ยเข้าถึงตรงโกลิณนั่นน่ะเรียกว่าถึงธรรมธรรมทั้งหลายน่ะั้นม่ของมีอยู่เป็นอยู่สภาพของมันอยู่แล้วเรามาหัดใจเท่านั้นม า, าใจของเราให้มันเข้าถึงหลักมีสติควบคุมจิตให้เข้าถึงหลักเป็นเอกาตาจิตเอกาตารมแล้ว ถ้าค่อยมองออกมาดูจึงจะเห็นชัดถึงทำได้ทำทำทั้งหลายเป็นของีอยมมดทั่วทั้งโลกเห็นตรงนั้นนะเป็นทำทั้งทั้งโลกเลยที่ท่านแสดงทั้งเรื่องโลกกรทำคือว่าการได้เรียกว่าได้ลาดเสื่อมลาด ได้ยศเสื่อมยศแล้นั่นเสือสนั่นนินทาสุขแล้วก็ทุกข์นี่อต่ากได้คือวได้แล้วเสื่อมก็เข้าก็าาาเกิดดับที่ว่านี้คือตัวขงเราเนี่ยไม่ต้องพูดอื่นพูดตัวงเราซะก่อนเราได้ก็ออจะภาพขึ้นมาแล้วก็ค่อยแปลจะพาพไปก็เสื่อมไป แม่ปวที่เกิดเป็ดักสลายไปเยีางว่าได้แล้กวก็แล้วก็เสื่อมอยา่างว่ได้ลากเสื่อมลาบได้ยศก็ไม่ต้องอื่นที่ไกลไม่ต้องพิจารณาอื่นแกลแค่ตัวของเรานี่ยยศชื่อเสียงเกียรติยศชื่อคนชื่อว่าคนชื่อว่ามนุษย์สมมุติจะเป็นคนสมมุติจะเป็นมนุษย์ อันนี้ละยยศอันนี้คนนมนุษย์นะ่ะมันจะเสื่อมได้เหมือนกันไอ้นคนที่สุดกับแปรสภาพไปเป็นผีเป็นศพแปดกแบบอันนี้ได้รยย้อยอศเสื่อมยศได้ลาเสื่อมลาได้ยศเสื่อมยศซุกทุกก็มีพร้อมอยู่แล้ว วันหนึ่งวันหนึ่งหรือขณะหนึ่งเนยขณะจิตหนึ่งเนี่ยนี้สุก ข, ขึ้นมาในเมื่อจิตของเราสงบใน้ความสุขหยุดหยิงจิตเมื่อสงบ ก, ก็วันไหวเดือดร้อนเจ็บทุกข์ร่างกายของเรานั่งอยู่เหมือนกันนั่งอยู่บนตน้นแล้วก็ได้รับความสุขนั่งนานๆาก็เกิดทุกเข้ามาแทรกเข้ามาซึ้จเจ็บเมื่อยในนี้ นันนา น, นั่งไหวๆก็เรียกว่าทุกข์แล้วถ้าเปลี่ยนอิรยาบถอื่นอิรยาบถที่เ่าเปลี่ยนครั้งแรนก็ได้ความสุขต่อไปน่อยๆเหมือนกันเกิดทุกข์ขึ้นมันนี้เด็กได้สุขแล้วเสื่อมสุข <c oughs> ได้ลาดเสื่อมลาดได้ยศเสื่อมยศไ ด, ด้สุขแล้ก็ได้ทุกข์ ฉันนึกเสินนึวกว่าินทาฉันนึกเสินตรงไหนฉะนัึกเสินก็คือว่าชมเวยเงินเดียวจนได้อัตภาพเป็นมนุษย์มีความสมบูรณบริบูรณ์เดี๋ยวเจ็บไข้ได้ป่วยเอาแล้วเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะนินทาแล้วเกิดนินทาขึ้นมาแล้ว เนี้ยแต่สลายดับสูญกลัวเกียดยินทาขึ้นมานี้เป็นธรรมธรรมของโลกโลกเขาหักเป็นหลวอย่างนั้นมันนุชตัดใครก็ตามเธอเกิดสมาอยู่นี้ทั้งนั้นไม่ได้ห น, นีจากเงี้ยแต่เราไม่เห็นเห็นหรอกแต่มันเห็นไม่เป็นธรรม ได้ลาบกุมินดีเสื่อมลาก็เสียใจมันไม่เป็นธรรมนันเป็นธรรมในทางที่ชั่วทางไม่ดีมันเป็นโลกธรรมของโลกใช้นสมได้ลาเสื่อมลาบได้ยดเสื่อมยดได้ซึกและกะทุกฉัก็เสื่อมแล้วยินทา่าหรือโลกทั้งหลายเขเป็นเมื่อยางนั้น อาการของโลกมันเป็นอยู่อย่างนั้นเลยเรียกว่าโลกกระทำครนี้นักปฏิบัติเขาพุทธเจ้าได้สอนว่านะโลกกรรมนไหมเราจะเอาโลกกระทำไม่จะเอาธรรมของพุทธเจ้าสอนอันนั่นเป็นธรรมเศร้าหมองอันนั้นเป็นธรรมไม่คล่องใสธรรมอันนั้นเป็นธรรมสกปรกในสะอาดชอบไหม หาไม่ชอบแล้วอย่าไปเอาเนระาติจารณาให้เห็นว่ามันเป็นของโลกเราไม่ชอบโลกแล้วไม่ต้องการโลกเราไม่ปรารถนาถเรื่องโลกเราก็จะไปเอามันสิให้เห็นมันจะสิเรื่องของโลกเลยออกมาเป็นของเราทําไมคนเราที่อยู่ในโลกโดยสมากมันเป็น เมื่อโลกกระทำเกิดขึ้นมาแล้วนะคำว่าไม่ต้องการและไม่ราถนาแต่ความจริงมันเป็นการเป็นรับออกเช่นได้ทุกแทนที่จะเกลียดจะเบื่อนหน่ายยอมสละจะเรื่องทุกแต่ไม่ยอมรับไปเอาทุกมาไว้ในใจของตน เอามาห่อไว้ในแใจของตนให้กุ้ม อ, อกกุ้มใจเดือดร้อนเป็นทุกข์ น, นี่ไม่ใช่ทิ้งบ่น เ, อ, เอาเครียดแปว่าเอาน่นะ เ, เรื่องธรรมโลกเปงนั้นที่เรียกว่าโลกกระทั่ถ้าทำธรรมนั่นเป็นธรรมไม่สะอาดเศร้าหมองธรรมนั่นเป็น ทำสกปรกเดือดร้อนเป็นทุกข์ถ้าหากทำสะอาดเนี่ยเป็นอย่างนั้นเห็นเป็นเรื่องโลกกระทำถ้าเราปล่อยสะละวางไปคือเปกนคำนดอัวจิตใจใจเริงคนไปยึดใจเริงคนไปเกาะไปปุยเอาใจไปเอามาเป็นของเรา ทำว่าใจเอาเป็นของเรานะหมายถาวรโลกมันหนึ่งใจงมันจิ้ค่อยไปเอามาเป็นของเราเหตุนั้นเราจรึงเมื่อเราพึกหขัดจิตให้เข้าถึงเอกคตาแล้วมันไม่มีเรื่องโลกมันไม่ไม่อยู่ในที่นั้นพอจิตที่มันออกไปเจอกเอกคตามันไปยึดแล้วก็เลยจับเอาไปยึดของภายนอกจปยุดโลกกระทำ เนี่ยเราเบื่อหน่ายเกลียดโลกแล้วพอใจเราก็จะเอามาไว้ในใจของเรแล้วก็รักษาใจเราไว้เนี่ยรักษาใจเราไว้นั่นก็เห็นเป็นโลกมันนัก็เห็นเป็นธรรมมันนั้นเห็นในธรรมชัดทีเดียวอ๋อทำมันเป็นอย่างนี้ขึ้คือหมายความว่าเราเห็นโลกก็ทำชัดแต่เราไม่เอามาไว้ในใจของเราเนะเรียกว่าเห็นโลกเป็นธรรม ครานี้เราเห็นธมชัดเลยครยาเนี่ยนั้นผู้ได้เจริสอนให้รู้จักเรื่องเรื่องธรรมทั้งที่เป็นของในโลกความมจกิงเป็นของโลกนี่ให้เยอกออกะเป็นโลกฮบให้เห็นเป็นโล ก, กแล้วเกลียดแล้วไม่พอใจแล้วไม่ภาชนาก็อยากจะเอามาไว้ ในใองเราธรรไว้ในใจของเรามันเลยกลายเป็นโลกไปเรือยๆเราถ้าเราแยกออกมาใจของเราจากโลกแล้วเราก็เห็นทรรแล้วค่ะชัดเเป็นจริงซุกทุกขกล่อง น, นั่งกันเห็นในอย่างที่เรานั่งเนี่ยเรานั่งทำความเพียรภาวนา ถ้าเราจิตของเรายังไม่ทันรวมเป็นเอกภพตาคือมไม่ยังไมาทันปล่อยวางโลกมันจะต้องเดือดร้อนเป็นทุกข์เจ็บเมื่อยตรงนั่นตรงนี้กล า, างกสีย ป, ป่ะทุกอย่างถ้าเราพิจารณาเอาอันนั้นเป็นอ่งโลกมันนี้เป็นธา <c oughs> ถ้าเราเห็นอย่างนี้ถึงแม่อาการเจ็บจะมีปรากฏคือบ้างเพราะประสาท มันมีการรับรู้ถึงเวทถึงเวทนาแต่ก็ไม่กิดขัดกับสัตว์สัตว์ะ่ารับรู้แล้วแบนส่วนแบนสัตว์ไว้เป็นเรื่องเวทนากับอิตเป็นคนละคนนะจิจไปรับรู้เวทนาเวทนาเป็นเรื่องโลกเราแยกจิตออกจากเวทนาเอาไว้อีกส่วนสงคัญ ให้เห็นเวทนาเป็นธรรมอย่างนี้เห็นเป็นตนเป็นตัวการพิจารณาอย่างนี้เนี่ยเราพิจารณาธรรมทุกสิ่งนะ่ะส่วนอื่นต่อไปนอกนั้นนะอย่างนี้ก็เหมือนกันีิเหวกปัญหาธาพัดทุกอย่างที่มันเกิดนี้ขึ้นมาอารมณ์น้งพวงมดทุกสิ่งทุกประการ ถ้าหาเราจับหลักอันนี้เราเราเพิจารณาใช้ได้ทั้งหมดนอกนะั้นลูกเวทนาสัญญาสังขาดหยิกงานเป็นฐานหาเป็นเป็นอันหนึ่งจังนี่ของไม่เทีย่ยงเราเห็นเป็นธรรมของไม่เทีย่ยงเดี๋ยวเอาเราไปดัดของไม่เที่ยงคือจะเอาใจเป็นของไม่เทียออยเทเท่ยง ให้เห็นรูปเวทนาสัญญาสละขานิยานเป็นของไม่เทียในผลที่สุดรูปเดียวันเทศ น, น, น, นาวะสัพเพสังขารานิจารูปเวทนาสัญญาสังาขานิยานเป็นอนิจจาแล้วผลนี้รูปเวทนาสัญญาสังาขา น, ขานยิยานเนี่ยเป็นสังขารทั้งหมดเนี่ยเป็นสังขาร รวมเรียกว่าสเพสังขารานต์านิจจตสังขารทั้งสองมืดโลกเวทนาสัญญาทั้งหายนิยานก็ดีรู้อะไรทั้งโลกกรบทานตั้งแต่ก็ดีเป็นธรรมอธิบายมาทั้งหมดอธิบายรวมเตเป็นธรรมทั้งนั้นในคนที่เจอต้องยังรวมเรียกว่าสเปธัมมานต์า ไม่ใช่ของใครรับเบาบังคับไม่ได้จะให้อยู่ในบังคับมันสนก็ไม่ได้แล้วบังคับเันเกินก็ไม่ได้แม้ถ้าเกินอยู่ตามเสื้อผาของมันเดี๋ยวไปเอามาเกินตนเป็นตัวของเราให้ไว้ตามเสภาพผของมันการเห็นตามเสื้อผ้าตอนนี้เราวิานงถามถึงทำรู้ทำเข้าใจ ไม่ทำทั้งหลายเราก็สบายใครเั็คนสบายอันเรานั่ยเลยเป็นสบายในคนที่ติดเราก็ไม่มีอย้งเหลือจะควบไม่มีอะไรคือความสบายเบิกบานก็วง่อยู่อันเดียวของมันเทาไอเราก็ไม่มีที่เรียกว่าเรานี่คือสมุดเรียกคือหมายผมว่าถ้าหากว่าเรา ไม่ถือว่าเราไม่สมมติว่าเราแล้วมัน ก, ก็เป็นแยกทำกับเราออกไม่ได้ น, นี้เป็นัฤว่ี ส, สมมติวันญยกเลยทีเดียเือตรงนั้นแล้วนั่นเราก็ไม่มอะไรก็ไม่เป็นธรรมด้วยกันนี้ตัวเราก็เลยกลายเป็นธรรมมีแสดงถึงเรื่องธรรมในวันนี้อธิบายถึงเรื่องธรรมในวันนี้มีงข้อพอดีสำกเจก็ดจ่ามาได้เป็นธรรมอีกนแห